พุทธศาสนาที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ว่าความเข้าใจอาจจะไม่ตรงกับความหมายในพุทธศาสนานั่นคือคําว่าอิธิปไตยนะเวลาเรานึกถึงอธิปไตยนี่ก็นึกไปถึงเรื่องของการเมืองระบบการปกครองเช่นประชาธิปไตยแต่อธิปไตยในพุทธศาสนาเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของระบบ ก, การปกครองนะแต่เป็นเรื่องของการให้คุณค่าให้ความสำคัญอธิปไตนี้ก็แปลว่าการถือเอาเป็นใหญ่เอาอะไรเป็นใหญ่น ะ, ะมันก็มีสามประการใหญ่ๆนะอันแรกคือธรรมะธิปไตนะคื อ, อาการเอาธรรมะเป็นใหญ่อันที่สองก็อัตตาธิปไตนะการถือเอา ตัวเองหรืออัตตนี่เป็นใหญ่แล้วก็สามเนี่ยโลกาธิปไตยก็ถือเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่ความหมายนี่ก็คือว่าเนี่ยไม่ได้มีความเห็นเป็นของตัวเองแต่ว่าทำไปตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าโลกนะเป็นต้นนะแต่ว่าหลักๆนี่ก็มีอยู่สองอย่างนะ ที่เราควรจะใส่ใจเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจถูกต้องนั่นคือธรรมทุติปไตยกับอัตาตาธติปไตยการถือทำเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ความหมายคือพูดง่ายคือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เวลาเราทำงานทำการหรือเราใช้ชีวิตเนี่ย ถ้าเราถือธรรมเป็นใหญ่หรือธรรมาัติปไตยเนี่ยเราก็จะตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นพอเห็นแก่ความถูกต้องแต่ถ้าเราเอาตัวเองเป็นใหญ่หรืออัตาตาจิปไตยเนี่ยมันก็คือการเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจนะว่าความถูกต้องหรือว่าระเบียบกฎเกณฑ์จะเป็นอย่างไรถ้าเราอัตตาหรือตัวเองเป็นใหญ่เนการที่เราจะอยู่ในศีลในธรรมันก็ยากนะเพราะว่าเอาความต้องการตัวเองเนี่ยเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของ อ, อิเลสนั่นแหละหรือความเห็นแก่ตัว อ ต, ตาทิปไตในความหมายที่ที่แยกคือการเห็นแก่ตัวนะส่วนธรรมทิปไตคือเห็นแก่ธรรมะเองกับความถูกต้องหรือถ้าพูดง่ายๆคือว่าธรรมธิปไตคือการเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ส่วนอ ต, ตาทิปไตยคือเอาความถูกใจเป็นใหญ่อันนี้เราก็มาพิจารณา ด, ดูง่ายๆนะในการดํเนินชีวิตของคนเราเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ยเราเอาอะไรเป็นใหญ่อย่างเช่นเวลากินอาหารเนี่ยถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นะหรือธรรมาธิปไตยเนี่ยเราก็จะกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชาเพื่อที่ได้ทำกิจการงานต่างๆได้แต่ถ้าเอาความถูกใจเป็นใหญ่นะเราก็จะ กินเพราะว่ามันอร่อยเอารสชาติเป็นใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่มันอร่อยนะมันหวานมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันเค็มหรือว่ามันสีสวยน่ากินทั้งๆที่มันอาจจะเจอไปด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายหลายคนก็รู้นะว่าเออ กินอาหารที่มันเต็มไปด้วยไขยมันอุ ด, ดมไปด้วยน้ำตาลนี่มันเป็นประโยชน์เป็นโทษต่อสุขภาพแต่ก็ห้ามใจไม่ได้นะถ้ากินมากๆเข้าก็สุดท้ายก็ไปโรคหัวใจโรคเบาหวานไตาวายหรือบางทีนะถ้ากินอาหารประเภทที่มันเป็นของดิบเช่นปลาดิบ มีพยาธใบไม้ในตับนะแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งในตับหลายคนก็รู้นะว่ า, ากินอาหารแบบนี้นี่มันทําให้เกิดโรคเป็นมะเร็งในตับร่วมไม่ถูกต้องแต่ก็กินนะเพราะมันถูกใจหรือเวลาเรียนหนังสือนะเออถ้าความถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเรียนด้วยความพยันมั่นเพียร น, นะต้องนะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะเวลา ทำการบ้านหรือเวลาเข้าห้องสอบแต่ถ้าเราความถูกใจนะเป็นใหญ่นะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะบางวิชาฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เรียนนะเวลาทำการบ้านก็ไปลอกนะจากเพื่อนหรือว่าไปตัดแปะมาจากกู o g l e หรือวิกิพีเดียอะไรเงี้ยเวลาสอบก็ทุจริตนะ แม้ว่าร่วมไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจคือมันสะดวกง่ายสบายวาเวลาทางานเนี่ยนะถ้าเราความถูกต้องเป็นใหญ่เราก็จะทำงานด้วยความรับผิดชอบแม้ว่าเป็นงานที่เราไม่ชอบนะแต่เมื่อเรามีหน้าที่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะเป็นความรับผิดชอบของเราแต่ถ้าความถูกใจนะเอองานที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ทำ ต่อเมื่อเป็นงานที่ฉันชอบนะฉันจึงจะทำหรือว่าถ้าเป็นงานที่ฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ทำ <Yeah. S 1> จะทำก็ต่อเมื่อเป็นงานที่ได้ผลประโยชน์ <Yeah. S 1> นนเวลาจะทำอะไรก็เลยถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรนะอันนี้ก็คือเอาความถูกใจเป็นหลักหรือความถูกใจเป็นใหญ่ในเวลาทำงานเวลาใช้เข้าของเนี่ยเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ย ถ้าถามตัวเองว่าเราใช้ความถูกต้องหรือความถูกใจนะถ้าใช้ความถูกต้องเป็นใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อ ง, งานการทำกิจธุระหาวความรูนะ้เช็คข้อมูลอาจะอ่าดูหนังฟังเพลงบ้างก็ให้เวลากับมันพอสมควรไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับมัน แล้วก็โดยไม่เป็นอันทาอะไรงานการก็ไม่สนใจนะก็ก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์ใช้ดูหนังฟังเพลงหรือบางทีหนักกว่า น, นั้นนะใช้เพื่อเล่นพนันออนไลน์หรือเล่นเกมออนไลน์เนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงเนี่ยไอการใช้โทรศัพท์มือถือแบบนี้มันก็เลยไม่ได้ความถูกต้องเป็นใหญ่นะจเอาความถูกใจนะเป็นใหญ่ ลองพิจารณาดูเถอะนะเรื่องการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยรวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นใหญ่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่แล้วเอาความถูกใจเป็นใหญ่เวลาครบเพื่อเวลามีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยถ้าเรามีเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เราก็จ ะ, ะคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเราจะไม่คิดแต่จะเบียดเบียดเอาเปรียบ ต้องมีความเสียสละแล้วก็รู้จักอดกลั้นนะไม่ทำตามอารมณ์แต่ถ้าความถูกใจเป็นใหญ่นะมันก็เรียกว่าไม่สนใจนะว่าคนหนึ่งเขาจะรู้สึกอย่างไรเอาเปรียบได้ก็เอาเปรียบไม่พอใจแล้วก็โวยวายนะเรียกว่าขาดน้าใจแล้วก็ขาดความรับผิดชอบมันเป็นเส้นแบ่งได้เลยนะในเรื่องคน ในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องการกระทำเนี่ยว่าเราใช้ความถูกต้องนะหรือว่าความถูกใจถ้าเราความ ถ, ถูกต้องเป็นใหญ่เนี่ยชีวิตมันก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นในความดีแต่ถ้าเราความถูกใจเป็นใหญ่นะก็มีโอกาสที่จะตกต่ ำ, ำย่าแย่พอสุดท้ายก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าตกเป็น่านของกิเลส อยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้สนใจนะส่วนรวมในเวลามาอยู่วัดก็เหมือนกันนะถ้าเอาราความถูกต้องเป็นใหญ่เนะี่ยเราก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบแม้บางอย่างเราจ ะ, ะต้องฝืนใจทำเพราะว่าเราเป็นคนตื่นสายนะแต่ว่าเราจะเป็นต้องอตื่นเช้ามาทำวัดเพราะว่ามันเป็นระเบียบมันเป็นข้อวัดเป็นกติกา เวลามีการทํำกิจส่วนรวมก็ไปร่วมช่วยทําแต่ถ้าเราความถูกใจเป็นใหญ่นะมาบ้างไม่มาบ้างทําวัดนะเอาความอยากนะของตัวเองเป็นหลักไม่อยากมาก็ไม่มาหรือว่าไม่อยากตื่นก็ไม่ตื่นงานที่เป็นของส่วนรวมนะ ฉันไม่อยากทำฉันก็ไม่ทำอันนี้ก็มันทาให้ชีวิตเราเนี่ยก็ย่ำแย่ไปเจ้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราแยกแยะความถูกต้องความถูกใจเป็นนะมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะใช้ชีวิตเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องได้ แต่บางครั้งเนี่ยนะมันก็ไม่ง่ายนะที่เราจะแยกแยะได้ชัดเจนนะระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจเพราะบางครั้งกิเลสมก็ฉลาดนะกิเลสมันก็ฉลาดมันจะอ้างความถูกต้องเฉพาะเวลาที่ถูกใจนะแต่ถ้าว่าความถูกต้องยามใดเนี่ยไม่ถูกใจฉันนะฉันก็ไม่สนใจ อย่างเช่นเวลาทำงานนะสิ้นปีนี้ก็มีโบนัสถ้าว่าฉันได้โบนัสแต่ถ้ารู้ว่าคนอื่นได้โบนัสมากกว่าฉันเช่นฉันได้ห้าหมื่นแต่อีกคนได้เจ็ดหมื่นหรือแสหนึ่งก็จะไม่พอใจก็จะอ้างว่าเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมความเป็นธรรมคืออะไรนะ ความถูกต้องคืออะไรก็คือต้องได้เท่ากันนะก็อาจจะเรียกร้องอาจจะประท้วงอาจจะโวยวายว่าเนี่ยมันต้องเป็นธรรมก็คือว่าต้องได้เท่ากันนะถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยได้มากกว่านะตัวเองได้แสนแต่ว่าคนหนึ่งเขาไดห้าหมืเจ็ดมื่นเงียบเลยนะไม่พูดซักคำเลยนะว่ามันไม่ถูกต้อง มันไม่เป็นธรรมนะพ่าะอะไเพราะว่าฉันได้มากกว่านะการที่ฉันได้มากกว่านี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจฉันแล้วถึงตอนนี้ก็ทิ้งเรื่องความถูกต้องไปแต่ถ้าเอาเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นะแม้ว่าจะมีเงินหรือได้เงินมากกว่าคนอื่นมันก็ไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองแล้วก็ต้องนะ ทำให้มันเกิดความถูกต้องขึ้นมาคือว่าต้องได้เท่าคนอื่นสิหลายคนเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์นะหรือว่าไม่ได้ประโยชน์ people, <อ>เท่ากับคนอื่นอ่นะถ้าว่าตัวเองได้ประโยชน์น้อยอคนอื่นนะจะเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองได้มากกว่าคนอื่นนะ ไอความถูกต้องไีก็ลืมไปเลยอันนี้แหละนะก็เรียกว่าอ้างความถูกต้องนะ้วก็ต่อเมื่อมันถูกใจฉันถ้าฉันได้ถ้าถูกต้องแล้วฉันได้เท่าคนอื่นเออดีแต่หากว่าฉันได้มากกว่าคนอื่นแล้วความถูกต้องหมายถึงว่าฉันต้องได้น้อยลงนะลดลงมาจากแสนให้เหลือเจ็ดหมื่นเท่าคนอื่นฉันไม่เอาละอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราพบอยู่บ่อยๆนะอ้างความถูกต้องตอเมื่อมันถูกใจแต่ถ้ามันไม่ไม่ถูกใจฉันเมื่อไหร่ก็ไม่อ้างความถูกต้องแล้วลืมไปเลยอันนี้เนี่ยก็ต้องต้องระมัดระวังเพราะบางครั้งกิเลสนึงมันก็ฉลาดนะมันก็อ้างความถูกต้องเพื่อสนองอผลประโยชน์ของมันและบางทีเราก็นิยามความถูกต้องเนี่ย แปลผันไปขึ้นอยู่ความถูกใจไอ้ความถูกต้องเนี่ยหรือความเป็นธรรมเนี่ยนะมันก็มองได้หลายแง่นะและตรงนี้แหละเป็นโอกาสนะที่จะทำให้ตัวกิเลสเนี่ยมันมาเป็นตัวกำหนดนะว่าเนี่ยอย่างไหนเรียกว่าเป็นความถูกต้อง อย่างเช่นเนี่ยเมื่อมีหมู่บ้านหนึ่งนะเมื่อสักสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยสมัยที่มันยังไม่มีออบอตตอนเนี่ยในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำเนี่ยที่ใช้แบบคันโยกกันนะเป็นปั๊มน้ำของหมู่บ้านเกิดมันเสียขึ้นมา นักศึกษาเนี่ยที่เป็นพัฒนากรเนี่ยประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เสนอว่าเนี่ยควรจะเก็บทุกหลังคาเลยนะหลังคาละสิบบาทเพื่อเป็นค่าซ่อมปัม๊มพรากาชาวบ้านหลายคนนี่ไม่ยอมนะบอกว่าเนี่ยบ้านฉันอยู่ไกลนะอยู่ไกลจากปั๊มน้ําฉันไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้บ้านไหนเนี่ยที่ใช้ปั๊มมากกว่า พออยู่ใกล้ปั๊มเนี่ยควรจะเสียมากกว่าส่วนบ้านไหนที่อยู่ไกลใช้น้อยก็ควรจะเสียน้อยแทนที่จะเสียห้าบาทก็เสียสักแทนที่จะเสีย10 บ, บาท ก, ก็เสียห้าบาทเสียเท่ากันนี่ถือว่าไม่เป็นธรรมน ะ, ะตกลงก็เป็นนั้นว่าน ะ, ะต้องเสียไม่เท่ากันแต่หนึ่งเดือนต่อมานะในบู่บ้านเนี่ยมีคนเอาผ้าห่มมาแจก เพราะว่าเมันใก ล, ล้ฤดูหนาวเอามาถวายวัดหลวงพ่อเจ้าว่านี่ท่านก็ปรึกษามากคคายคนะเพราะว่าพาหผมเนี่ยมันไม่พอที่จะแจกให้หมู่บ้านทุกคนไ ม, ไม่พอที่จะแจกชาวบ้านทุกครัวเรือนเท่ากันมัคคัทยกโยเสนอว่านเนี่ยบ้านไหนที่ช่วยส่วนรวมได้สองผืนบ้านไหนที่ไม่ค่อยช่วยส่วนรวมได้หนึ่งพื้น พอประกาศอย่างนี้เข้านะชาวบ้านไม่พอใจนะบอกว่าไม่เป็นธรรมเป็นธรรมคืออะไรเป็นธรรมคือต้องได้เท่ากันนะก็แปลกนะเวลาจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่ากันนะถึงจะเป็นธรรมแต่เวลาพอได้พอผมนะหรือแจกพอผมนะต้องได้เท่ากันนะถึงจะเป็นธรรมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันหรือความถูกต้องเนี่ยมัน มันไม่แน่นอนนะมันแปรผันขึ้นอยู่ความถูกใจจ่ายเท่ากันเนี่ยนะหลายคนไม่ถูกใจนะควรจะจ่ายน้อยกว่านั่นจ่ายไม่เท่ากันเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นธรรมแต่ถึงเวลาได้นี่ต้องได้เท่ากันนะจึงจะเป็นธรมรมในตลรดพิจารณาดกูก็จะพบว่านะโอ้นี่มันเป็นการนิยาม คำว่าเป็นธรรมหรือความถูกต้องเนี่ยโดยสายความถูกใจนะถึงเวลาได้นี่ต้องได้เท่ากันนะถึงจะถูกใจถ้าได้ไม่เท่ากันเนี่ยไม่ถูกใจก็ถือว่าไม่เป็นธรรมแต่เวลาจ่ายเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่ากันนะถึงจะถูกต้องถฉันต้องจ่ายน้อยกว่าเพราะบ้านฉันอยู่ไกลอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมแล้วความเป็นธรรมเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ระวังนะ มันก็เป็นข้ออ้างนะเพื่อสนองกิเลสเพื่อสนองความถูกใจนะดังนั้นถ้าเราดูให้ดีๆเนี่ยความถูกต้องความถูกใจเนี่ยแม้ว่าความหมายนี่มันจะต่างกันนะแต่ว่าถ้าไม่ระวังน ะ, ะมันก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ก็คือว่าอันไหนถูกใจเนี่ยจึงเรียกว่าถูกต้องอันไหนไม่ถูกใจก็เรียกไม่ถูกต้องเรียกอย่างนี้คือว่าเนี่ยเวลาเรา แม้เราจะมีความชัดเจนว่าอย่างนี้นี่คือความถูกต้องเนี่ยแต่ก็ต้องระวังนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากพอถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นความถูกต้องเมื่อไหร่เนี่ยพอเจอใครทําอะไรไม่ถูกต้องนี่มันกลายเป็นไม่ถูกใจไปเลยนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยศิลจารีนีเนี่ยบวชใหม่นะไม่รู้ธรรมเนียมยืนกินน้ํานำ แม่ชีเดินผ่านมาเห็นนะคาตาแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าไปยึดเกกับความถูกต้องมากไปพอเจอความไม่ถูกต้องขึ้นมากโกรธน ะ, ะทุบหลังศิรจารีเน่เลยอันนี้แล้วว่าเป็นพอยึดมั่นความถูกต้องมากยึดมั่นกับระเบียบมากพอยึดมั่นกับระเบียบเนี่ยหรือความถูกต้องเนี่ยพอเจอความไม่ถูกต้อง หรือใครทาอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะโกรธหรือว่าที่วัดเนี่ยก็มีระเบียบนะเวลาฟังธรรมต้องปิดโทรศัพท์มือถืออันนี้คือความถูกต้องนะที่ควรปฏิบัติร่วมกันจะเกิดมียองคนหนึ่งเนี่ยลืมปิดโทรศัพท์มือถือแล้วบางเอ่ยมก็เสียงมีมีคนโทรเข้ามาเสียงก็ดังนะ กลางสาลาเลยขณะที่เจ้าว่านี่กำลังเทศดูโอ้นี่มันความไม่ถูกต้องแท้ๆเลยนะถ้ายึดม่กกับความถูกต้องมากๆนี่พอเจอความไม่ถูกต้องแบบนี้ก็โกรธนะโกรธแล้วเป็นไงก็ตะโกนด่าเลยเจ้าว่านก็ตะโกนด่าเลยกำลังเทศอยู่ดีๆนีนะ่เปลี่ยนโหมดเลยนะเป็นเป็นการด่าแทนด่าเจ้าของโทรศัพท์ที่ลืมปิดโทรศัพท์ อันนี้เราว่าพอเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาพอไม่ถูกใจแล้วกินเหลมก็พร้อมที่จะเล่นงานนะพร้อมที่จะบวยวายพร้อมที่จะพูดหรือพร้อมที่จะกระทําอะไรก็ตามด้วยอำนาจของโทสะด้วยอำนาจของกินเลมซึ่งเป็นเรื่องของอัตตาธิปไต่นียเราต้องระวังนะขณะที่เราเนี่ยยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ย ถ้าเรายึดมั่นมากไปนะพอเจอพอใครทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมานี่ไอความไม่ถูกต้องนี่จะกลายเป็นความไม่ถูกใจทันทีเลยทั้งทั้งที่ดูเป็นเพลเนี่ยไม่ถูกต้องกับไม่ถูกใจนี่มันห่างกันนะมันไกลกันมากเชนเดอรนเดอความถูกต้องความถูกใจเนี่ยบางทีก็ไกลกันมากนะแต่ในบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าไม่รู้ทันมันนะมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยคือ ถ้าไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกใจเมื่อ น, นั้นหรือจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อมันถูกใจนะถ้าอันไหนไม่ถูกใจก็ไม่ถูกต้องไปอันนี้มันต้องใช้สตินะพิจารณาในการที่เรารู้อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและการที่เราปฏิบัติตามความถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะ เรีว่ามีธมรรมะธิประไตยแต่ถ้าเรายึดมั่นในความถูกต้องมากไปนี่มันก็ง่ายมากเลยนะที่เวลาเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยไอ้ความไม่ถูกต้องก็กลายเป็นความไม่ถูกใจหรือกระตุ้นให้เกิดความไม่ถูกใจทันทีแล้วางทีก็ไม่รู้ตัวนะก็ยังคิดว่าไอ้ฉันยึดฉันทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทาไปนี่มันถูกใจต่างหาก แล้วมันก็เกินเลยความถูกต้องไปนะเพราะว่าไปทุบหลังคนอื่นนี่มันจะถูกต้องได้ยังไงนะหรือว่าไปตะโกนด่ากลางศาลาเนี่ยนะในขณะที่ขาสติเนี่ยหรือทำไปได้วยความโกรธเนี่ยมันจะเป็นความถูกต้องได้ยังไงนะมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะความถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งตรงเข้ า, ขาขความถูกใจ ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยไอความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะทำให้ความถูกต้องเนี่ยกับความถูกใจนการเป็นอันเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นหลายคนเนี่ยก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องเนี่ยอันนี้มีเยอะเลยอย่างที่เป็นข่าวก็คือว่าเนี่ยไปไปฆ่าคนนั่นคนนี้นะ เพื่อรักษาความถูกต้องเนเป็นความถูกต้องทางการเมืองความถูกต้องทางศาสนาอย่างผู้ที่เป็นพวกก่อการร้ายเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาทำเพื่อพระเจ้านะเขาทำเ พ, พื่อพิทักษ์ความถูกต้องทางศาสนาแต่ว่าสิ่งที่เขาทานี่มันกลายเป็นความไม่ถูกต้องไปซะแล้วทําไปด้วยด้วยอํานาจของกิเลส ตัวเองนี่เป็นคนตัดสินว่าใครควรจะอยู่ใครจะไปใครที่คิดไม่เหมือนฉันก็ต้องอถูกกำจัดออกไปนะจากโลกนีนะ้เพราะมันเป็นคนที่คิดไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องนะที่จริง็เก็นเพียงแค่เห็นต่างจากตัวเองเท่านั้นแหละแต่ว่าพอเจอคนที่เห็นต่างนะก็เปลี่ยนจากความไม่ถูกใจนะ กลายเป็นข้ออ้างวะเนี่ยเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็สมควรกำจัดออกไปจากโลกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะที่เป็นข่าวไ ม, ไม่ใช่เพราะเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะเรื่องการเมืองเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีความถูกต้องของมันแต่ถ้าไปยึดความถูกต้องมากไปนะใครที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องในสายตาของเรามันก็กลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นความไม่ถูกใจ ทำให้เกิดความโกรธทําให้เกิดข้ออ้างในการที่จะจัดการทํำร้ายหรือว่าสังหารนั่นต้องระวังมากทีเดียวนะการทําความไม่ถูกต้องในนามความถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันทําไปด้วยอำนาจกิเลสแทนที่จะเป็นธรรมชาติปไตยก็กลายเป็นอัตตาชิปไตยไปเอาคำนิยมกัท่านีนะ